ไม่มีความเป็นไปลอยลอยและไม่มีการบันดาลที่เกิดขึ้นได้โดยปราศจากเหตุปัจจัยความเป็นไปที่ประหลาดน่าเหลือเชื่อดูเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรืออัศจรรย์ใดๆก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่เหตุปัใจจัยในเรื่องนั้นสลับซับซ้อนและยังไม่ถูกรู้เท่าทัานเรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์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 การเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้หรือปัญญานั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้หรือจะเรียกตามสำนวนภาษาก็ว่าสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได้แล้วเรื่องนี้มีหลักการอย่างเดียวกันทั้งในกระบวนการฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมหรือทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุฉะนั้นที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า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 เมื่อสยสุขก็ไม่หลงเระเริงหรือสยบมัวเมาและไม่เหลิงละเิงลืมตัวเมื่อขาดพลาดหรือพลาดจากเหยื่อล่อสิ่งรนปรือต่างๆก็มั่นคงปลอดโปร่งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไม่หดหูซึมเศร้าสิ้นหวังหมดอะไรตายยากไม่ปล่อยตัวฝากสุขทุกข์ของตนไว้ในกำมือของอามิตรภายนอกที่จะตัดสินให้เป็นไป ด้านภายนอกมีลักษณะคล่องตัวว่องไวพร้อมอยู่เสมอที่จะเข้าเกี่ยวข้องและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนปมหรือความยึดติดภายในที่จะมาเป็นนิวร์เข้าขัดขวางกั้นบังทวงทำให้เขวลลำเอียงหรือทำให้พระมัวมีพุทธพจน์บางตอนที่แสดงให้เห็นลักษณะาบางอย่าง ที่แตกต่างกันระหว่างชีวิตแห่งความยึดติดถือมั่นกับชีวิตแห่งปัญญาเช่นภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ยอมเสวยสุขขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอาทุกขมสุขขเวทนาคือเฉยเฉยไม่ทุกขไม่สุขบ้างอริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วก็ยอมเสวยสุขขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้าง ทุกขมสุขเวทนาบ้างภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นอะไรเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้กับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วยอมเศร้าโศกคร่อครวญราไห้รำพันตีอกร้องไห้หลงไหลฟัน่นเฟือนไป เขาย่อมสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุรุษด้วยลูกศรดอกหนึ่งแล้วยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้งสองดอกคือทั้งทางกายทั้งทางใจฉันใดอุทุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้น ยอมเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือทั้งทางกายและทางใจอันหนึ่งเพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบเขายอมเกิดความขัดใจเมื่อเขามีความขัดใจเพรา ะ, ววาาราะทุกขเวทนาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ย่อมนอนเนื่องเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็หันเข้าระเริงกับกามสุข กรรมสุขในที่นี้คือสุขในการสนองความต้องการทางประสาททั้งห้าตัวอย่างในทางจริยธรรมขั้นต้นเช่นหันเข้าหาการพนันการดื่มสุราและสิ่งเริงรวมต่างๆเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็หันเข้ารเริงรงกับกรรมสุขเพราะอะไรเพราะผู้ทุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่รู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกไปจากกามสุข และเมื่อเขาเร่ร่อนอยู่กับกาม m สุขราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเนื่องเขาย่อมไม่รู้เท่าทานความเกิดขึ้นความสูญสลายข้อดีข้อเสียและทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็นเมื่อเขาไม่รู้ตามที่มันเป็นอวิชานุสัยเพราะอทุก k มสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาย่อมนอนเนื่อง ถ้าได้สวยสุขเวทนาเขาก็สวยอย่างถูกมัดตัวถ้าสวยทุกขเวทนาเขาก็สวยอย่างถูกมัดตัวถ้าสวยอะทุกขมาสุขเวทนาเขาก็สวยอย่างถูกมัดตัวภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ผู้ประกอบคือผูกมัดผัวพันด้วยกิเลสด้วยชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตเราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยทุกภิกษุทั้งหลายป่ายอริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้ถูกทุกเวทนากระทบเข้าแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กรำครวนไม่รำไรไม่รำพันไม่ตีอกร้องไห้ไม่หลงไหลฟั่นเฟือนเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไมเสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุรุษด้วยลูกศรและหยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองผิดไปเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเฉพาะลูกศรดอกเดียวฉันใดอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจอันหนึ่ง เธอยอมไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้นเมื่อไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้นปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้นย่อมไม่นอนเนื่องเธอถูกทุกขเวทนากระทบก็ไม่หันเข้ารเริญกับการมาสุขเพราะอะไรเพราะอริยาสาวกผู้เรียนรู้แล้วย่อมรู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกจากการมมาสุขไปอีก เมื่อเธอไม่ระเริงกับกาม m สุขราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นก็ไม่นอนเนื่องเธอย่อมรู้เท่าทันความเกิดขึ้นความสูญสลายข้อดีข้อเสียและทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็นเมื่อเธอรู้ตามที่มันเป็นอวิชานุสัยเพราะอาทุก k มสุขเวทนาก็ไม่นอนเนื่องถ้าเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยยังไม่ถูกมัดตัวถ้าสวยทุกขเวทนาเธอก็สวยยังไม่ถูกมัดตัวถ้าสวยอทุกขมสุขเวทนาเธอก็สวยยังไม่ถูกมัดตัวภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ผู้ปราศจากชาติชรามรณะโศกาบริเนะทวะทุกโทมานตและอุปายาตเราเรียกว่า ผู้ปราศจากทุกภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยส า, าวกผู้ได้เรียนรู้กับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรกำจัดแก้ไข เมื่อกำจัดแก้ไขแล้วจะได้อะไรอะไรควรทำให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะได้อะไรส่วนที่ว่าในการกำจัดแก้ไขและทำให้เกิดขึ้นนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเป็นเรื่องของจริยธรรมที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้า